ปฏิจจสมุปบาทหน้าที่เจ0เรื่องธาตุสามอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปได้ของปฏิจจสมุปบาททรงตรัสกับพระอา น, นุนโดยพระนาออนนได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำที่กล่าวกล่าวกันว่าพบพบดังนี้นั้นพบยังมีได้ ดยเหตุมีประมาณเท่าไรแลพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตอบพระอนุนว่าดูก่อนอนุนถ้ากรรมอันมีกรรมาธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีเลาไซกรรมาพบจะพึงปรากฏได้แลหรือพระอนุนได้ตอบว่า ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์ด้วยเหตุดังนี้แหลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชตันหาชื่อว่าอย่างในพืชเมื่อวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่ด้วยธรมตั้งอยู่ด้วยธาตุอันสามอย่างนี้แล้วการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานนท่ากรรมอันมีรูปประธาตเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วไซรูปประพบจะเพ่งปรากฏได้แลหรือ พระอานนท์ตอบว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข่าดูก่อนอานท์ด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชปัญหาชื่อว่ายางในพืชเมื่อวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ด้วยธาตุปานกลางอย่างนี้แล้วการเบืองเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอาน o ์ท่ากรรมอันมีอรู ป, ปราธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเราไซอรูปประพบ จะพึงปรากฏได้แลหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอนท์ด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชตันหาชื่อว่ายางในพืชเมื่อวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัญหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ด้วยธาตุอันประนีอย่างนี้แล้วการมรงเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนาอโนนพบย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลและอีกในพระสูตรหนึ่ง พระอนนท์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำที่กล่าวกล่าวกันว่าพบพบดังนี้นั้นพบย่อมมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรแลพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่าดูก่อนอานอนท์ถ้ากรรม อันมีกรรมธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซกรรมพบจะพึงปรากฏได้แลหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชตันหาชื่อว่ายางในพืช เมื่อเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ด้วยธาตุอันต่าซามธาตุอันซามอย่างนี้แล้วการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูกรอนนอท้ากรรมอันมีรูปประธาตเป็นวิบากจากไม่ได้มีเล้าไซรูปประพบจะพึงปรากฏได้แลหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูกรอนนอด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืช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 ดูกร อ, อานนนถ้ากรรมอันมีรู ป, ปราธาตุเป็นวิบาจักไม่ได้มีเลวไซอารูปภปพจะพึงปรากฏได้แลหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าาดูกร อ, อานนนด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณ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 ด้วยอาการอย่างนี้ดูกรอนอนนพบย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลดังนี้บทที่12ของปฏิจจสมุปบาทก็จบเพียงเท่านี้วันนี้เราก็ปฏิจฏจสมุปบาทก็จบที่หน้า793